หากันตั้งใจตั้งใจเข้มแข็งทำมนเอไม่ได้การปฏิบัติธรรมเนื่องจากว่ามันมีกิเลสคอยขัดขวางทำให้จิตนั้นอ่อนลง ดังนั้นเราจึงต้องพยายามตั้งจิตนี้ให้มันเข้มแข็งไว้นั่นแหละคําว่าภาวนาก็คือพยายามตั้งใจเข้มแข็งนั่นแหละความหมายที่แท้จริงเนี่ยถ้าไม่มีกิเลสมาแทรกแจงอยู่ที่จิตใจนี้อยู่ร่างกายอันนี้พ ร, พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงสอน ให้พุธทธบริษัททั้งหลายภาวนาสมาธิ <c oughs> ตลอดถึงการบำเพ็ญบุญกุศลอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยเราบาเพ็ญบุญกุศลต่งตางๆก็เพื่อที่จะให้เป็นกําลังใจให้ใจมันเข้มแข็งไม่หวนไหวต่วออานาจของกิเลสไม่หวนไหวต่วออานาจแห่งความอยาก ความหิวต่างๆปกติของดวงจิตนี่มันมีความหิวเป็นกำลังอยู่อย่างนั้นหิวอะไรล่ะก็หิวความสุขแหละอยากอะไรอยากมีความสุข <c oughs> อยากมีความสุขไม่ใช่อยากอย่างอื่นใด แต่ว่าความเข้าใจมันเคลื่อนข้าดจากความเป็นจริงไปมันเลยไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงเช่นเข้าใจว่าเมื่อได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจมาแล้วตนจะมีความสุข นี่ความเข้าใจของมนุษย์ส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะจึงเด็ดดิ้นลนสแสวงหารูปสวยๆงามๆแสวงหารูปที่ตนเห็นว่าสวยงามที่เป็นที่ชอบใจของตนนั่นสแสวงฟังเสียงอันไพเราะเพราะพิ่งที่ตนเห็นว่าเสียงนี่ จับใจจริงๆสเสวงหากลิ่นกลิ่นหอมที่ถูกอกถูกใจสเสวงหารสอาหารอันอร่อยอร่อยตลอดถึงรสกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนสุราเมรัยอะไรูเนี่ถือว่าเป็นรสที่ อร่อยน่าชอบใจแสวงหาสัมผัส อ, อผ้านุ่งผ้าหมมา่มอะไรถ้าเนื้อหยาบนั่นสัมผัสมันหยาบไม่ชอบใจอแสวงหาผ้านุ่งผ้าหม่มอันเนื้อละเอียดมาถูกต้องกายนี่มันนิ่มดีอแสวงหารูป ซึ่งมีเพศตรงกันข้ามสวยๆงามๆ ม, มากปกมากอดอ่แล้วถือว่ามีความสุขสบายดีอันบุรีนะมนุษย์เรามันเข้าใจไปอย่างนั้นเข้าใจว่าเมื่อได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วตนจะมีความสุขสบายมันจึงได้อยากจึงได้หิวกันขึ้น ดินลนแสวงหาไม่รู้จจบจกสิ้นคนผู้มีบุญน้อยหาเท่าไรมันก็ไม่ได้ตามประสงค์อย่างนี้แหละได้ก็ได้แต่ของไม่ดีไม่งามไม่น่าชอบใจนั่นคนบุญน้อยอแต่คนบุญมากหาอะไรก็มักจะได้ตามประสงค์ ตามความชอบใจดังนั้นมนุษย์เรามันถึงมีความเลื่อมล่ำต่ำสูงกลัวกันก็ด้วยอำนาจแห่งการกระทำนี้เองตั้งแต่ชาติถุนหลังนู่นต่างคนต่างทำความดีมาไม่เท่ากันบางคนก็ทำมากบางคนก็ทำน้อยบางคนก็ทำพิเศษก็มีอ่า อย่างให้ทานอย่างนี้ให้พิเศษอย่างพระเวสสันดรให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานซึ่งคนธรรมดาสามัญเขาไม่ได้ให้ทานกันนอกจากเกลียดชังกันแล้วก็ไล่หนีออกไปจากบ้านเท่านั้นลถ้าถ้ายังรักกันอยู่นี่จะไม่ยอมให้ทานเด็ดขาด คนธรรมดาสามัญนะแต่ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วถ้าไม่ได้ให้ทานลูกกับเมียนี่อันเป็นชาติสุดท้ายนี่นะจักไม่ได้ตัดสู้สั ม, มาสัมโพธิญาณเลยอันนี้เป็นกฎธรรมดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายถึงได้ให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทาน ให้ช้างพาทีนั่งให้ม้าพาที่นั่งให้รถพาที่นั่งเป็นทานของห้าอย่างนี้เนี่ยเป็นของที่หาค่าไม่ได้เลยนั่นแหละซึ่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมมีตอนวาระสุดท้ายนี่ที่บารมีจะเต็มบริบูรณ์ทุกพระองค์เลยก็ต้องได้ให้ของรักของชอบใจห้าอย่างนี้เป็นทานไป <c oughs> พระบารมีธรรมก็จึงค่อยเต็มบริบูรณ์ท่านกล่าวไว้ว่าแผ่นดินไหวถึงเก้าครั้งนู่นเพราะว่าบุญบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์เจ้ามันเต็มแล้วมันแสดงออกแล้วว่าตอนนี้ไปพระองค์จะทำโลกคือหมู่มนุษย์เนี่ยให้สะเทือนสะท้านวันไหวด้วยธรรมจักกบพวตนาสูตร ตลอดถึงเทวดาอินพรหมก็ซ่องสาธุการอันนี้ความเป็นผู้มีบุญมากนะท่านผู้มีบุญมากแล้วถึงไม่ได้ปาสนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามท่านก็อิ่มท่านก็เบือ่อในสมบัติพระสถาน หรือว่าตาพูดรวมๆแล้วก็ได้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันที่โลกสมมติว่าสวยๆงามงามน่ารักใครพอใจต่งางๆมมนีท่านผู้มีบุญมากนั้นท่านอิ่มแล้วท่านได้สัมผัสกับมมานานแล้วเมื่อท่านมีบุญมากคณะทั่งมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน ทั้งนั้นเลยมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนในทามกลางก็แตกดับในที่สุดก็มีเท่านี้ยขึ้นชื่อว่าวัตถุต่างๆในโลกอันนี้นะสรพพวัตถุทั้งหลายนี่นะมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น แล้วต่อไปในถ้ำกลางก็แปลไปแปลไปยักย้ายผันแปลไปเมื่อหมดเหตุปัจจัยลงในที่สุดก็แตกดับทำลายลงจะเป็นสิ่งที่มีวิญญาณครองเช่นมนุษย์และสัตว์ในฉานก็ดีไม่มีวิญญาณครองเช่นต้นไม้หินดินกลวดทราย แม่น้ำลำคลองอะไรต่างๆพวกนี้ที่ไม่มีใจครองก็เหมือนกันเลยมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกดับไปเหมือนกันไม่มีอะไรยั่งยืนสักอย่างเดียวอันผู้มีบุญวาสนามีปัญญาท่านย่อมมองเห็นธรรมชาติเหล่านี้ตามสภาพความเป็นจริงไม่ได้เอียงเข้ากับกิเลส ไม่ได้มองดูสภาพต่างๆเหล่านี้ด้วยอํานาจแห่งความรักด้วยอํานาจแห่งความชังด้วยอํานาจแห่งความหลงความเมาด้วยอํานาจแห่งความกลัวหรือว่ามองเห็นธรรมชาติในโลกอันนี้ด้วยอํานาจแห่งปัญญาเห็นแจ้งประจักษ์เพราะปญานี่เป็นแสงสว่าง มองทะลุกปรปุกปองไปหมดยิ่งกว่าแสงไฟแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์แสงเหล่านั้นมันส่องทะลุในที่มืดไม่ได้เลยส่องทะลุของหนาไม่ได้เช่นส่องภูเขาก็ทะลุไม่ได้ส่องผ้าผนังนี่ให้ทะลุปไปก็ไม่ได้แสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์เหล่านั้นนะอันนี้น แสงตะเกียงโคงไ ฟ, ไฟไฟฟ้าอะไรก็ช่างเนี่ยมันสองทะลุไปไม่ได้ส่วนบุญบุคคลผู้มีบุญวาสนามีปัญญาแล้วนั้นสามารถมองทะลุปลุโปงไปได้ทั้งในที่รับทั้งในที่มีกำแพงกั้นอยู่ก็ตามก็มองเห็นได้ เช่นอย่างปัญญามองเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้เลยทั้งส่วนหยาบทั้งส่วนละเอียดทั้งส่วนที่เป็นรูปร่างทั้งส่วนที่ไม่ไม่ใช่รูปที่ท่านกล่าวว่านามธรรมาปัญญามันก็ไปตามรู้ตามเห็นไปหมดเลยมันเป็นอย่างนั้นปัญญานี่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทําให้จิตใจนิสว่างสวัย จิตใจปลอดโปร่งอยู่ภายในนี่นะไม่ใช่อยู่ภายนอกนะอยู่ภายในนี่สว่างสวัยเห็นอวัยวะน่อยใหญ่ของร่างกายอยู่อย่างนั้นความจริงของร่างกายมีอย่างไรปัญญามันตามรู้ตามเห็นไปหมดตามเห็นไปถึงเหตุให้เกิดรูปนู่น เหตุที่จะให้เกิดเป็นรูปขึ้นมาก็คือกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลกระทาเอาไว้แล้วมันก็ติดตามนำวิญญาณนะั่นจิตวิญญาณนะั้นไปปฏิสนธิในคันของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบิดาประกอบกันเข้าแล้วบุญกรรมเป็นผู้ตกแต่งอวัยวะ น้อยใหญ่ทั้งหลายเช่นตกแต่งตาตกแต่งหูตกแต่งจ ม, มูกตกแต่งลิ้นตกแต่งร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆเช่นผมขนและฟันหนังเป็นตน้นตลอดถึงอาการสามสิบสองครบหมดอันนี้อาศัยบุญตกแต่งอันนี้ <c oughs> ผู้ใดมีบุญมาก ก็ตกแต่งให้รูปร่างนี้สวยสดกดงามมากผู้ใดมีบุญน้อยก็ตกแต่งให้ร่างกายนี่ไม่สวยไม่งามแต่ว่าครบท้วนบริบูรณ์ไม่บกพร่องตรงไหนนี่เราต้องพิจารณาให้รู้ไปถึงเหตุปัจจัยที่ตกแต่งรูปกายอันเนี้ยที่มันเป็นมาอย่างนี้ ทีนี้ตกพิจารณาถึงเหตุปัจจัยคือบุญและบาปที่มาตกแต่งร่างกายนี่เนะ่ะมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเมื่อเหตุปัจจัยอันนั้นไม่เที่ยงแล้วจะให้รูปกายนี่มันเที่ยงได้อย่างไรเหตุอย่างไรผลมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่การใช้ปัญญาพิจารณามันก็มองเห็นได้ชัดๆเลยบันนี้นะ มองเห็นโดยสรุปมานี่สรุปลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อ ม, มันมีความเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยอันใดอันหนึ่งแล้วอย่างนี้มันก็มีความแปรปรวนแตกดับไปในที่สุดก็สรุปลงได้อย่างนี้ความรู้ของพระโสดาบันนะสิ่งหนึ่งสิ่งได้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา อันนี้เป็นความเห็นของพระโสดาบันคำว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นนะถ้าจะขยายออกให้ชัดเจนแล้วก็หมายเอากิเลสกรรมวิปากสามอย่างนี้แหละเรียกว่ากิเลสสวัส์กรรมวัสด์วิปากวัสด์ กิเลสอันเป็นเหตุให้บุคคลกระทากรรมดีกรรมชั่วเนี่ยวันนี้กรรมดีกรรมชั่วให้ผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างท่านเรียกว่าวิบาสนี่จำเอาไว้หลักนักธรรมโทนัท่นเดียวว่าวิบากนี่แหละกรร ม, มวิบากต่างๆแล้วนี่กิเลสมูนี่ ร้วนแต่เป็นของเกิดขึ้นแล้วดับไปพระโสราบันท่านเห็นอย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ถือมั่นว่าร่างกายนี่เป็นของเที่ยงยั่งยืนหรือเป็นทัวเป็นตนเป็นของสวยของงามแต่อย่างใดมันจะสวยอยู่ได้นานอะไรถึงแม้มันสวยตามความนิยมของโลกเขาว่านั่นก็ก็จริงอยู่ แต่เมื่อปัจจัยที่ตกแต่งรูปร่างอันนี้มันไม่เที่ยงแล้วรูปอันนี้มันก็จะสวยงามเที่ยงแท้อยู่ได้นานเท่าไรนั่นต้องพิจารณาดูมันไม่นานแหละเมื่อเมื่อปัจจัยเหล่านั้นมันร่อยดรอมันเสื่อมลงไปแล้วรูปอันนี้มันก็เสื่อมลงไปตามกันเหมือนอย่างอยู่มานานอายุมากเข้าไปแล้วผิวพรรณอะไรก็สูบซีดไป ไม่เปล่งปลั่งเหมือนแต่ยังหนุ่มยังสาวตัวกระตกกระดังดงดัด้มดหนังก็หิวยานอย่างนี้แหละจะไม่ให้มันแตกมันดับยังไงล่ะมันบอกกลวงหน้าแล้วนี่มันบอกถึงความไม่เที่ยงความจะแตกจะดับของร่างกายอันนี้นะแต่ว่าคนแก ผู้ไม่ได้สดับตรับฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ค่อยตื่นตัวกันหรอก ต, ต้นแกเขาว่าแก่ไม่ไเฉยนี่ยไม่รู้เหตุปัจจัยอ่ะอะไรทําให้แก่ไม่รู้อ่ะถ้าได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าดังสี้แจงให้ฟังมานี่แล้วก็จะตื่นตัวกัน เออนี่เราเรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงเนี่จะมานิ่งนอนใจไม่ได้คำว่าเรานั้นก็สมมุติเอาทางหากสมมุติอาดว์กิดนี่แหละว่าเป็นเรามันนึกได้อย่างนี้มันก็ตื่นตัวกันนะอา้าวทายังไงล่ะเมื่อเราได้มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนี่ล่ะทําอย่างไรถึงจะ พ้นจากของไม่เที่ยงนี้เมื่อละร่างกายอันเป็นของไม่เที่ยงนี้ไปแล้วทาอย่างไรถึงจะพ้นจากความไม่เที่ยงอันนี้ไปได้ mm hmm. ก็พอต้องตั้งปัญหาถามตัวเองก็ต้องวินิจฉัยตามคําสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละสักกายยทิฏฐิ วิจิกิจฉ า, า, า, าศิรพัตตปรมาตอันเป็นสังโยชน์ขั้นต้นสำหรับผูกสัตว์ไว้ในโลกอันนี้ก็ทรงสอนในเพ่งวินานดูรูปนามอันนี้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ปล่อยก็วางไม่ยึดไม่ถือเอาไว้ไม่สำคัญว่าเป็นตัวตนแก่นสารของตนจริงๆ เป็นตัวตนโดยสมมติอาศัยชั่วคลาวชั่วระยะที่บุญกรรมมันยังอุปถัมภ์บำรุงอยู่เท่านั้นเองเนี่ยก็รู้อยู่นี่ว่าร่างกายอันนี้มันจะแตกแะดับแต่เมื่อเวลามันยังไม่แตกไม่ดับก็อาศัยไปก่อนอาศัยมันทำความดีการทำความดีมันก็เป็นขั้นขั้นตอนตอนไป อาศัยทำความดีเบื้องต้นก็ได้แก่การให้ทานในขั้นสองก็ได้แก่การรักษาสินห้าสินุโวสดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดของภิกษุสามเณรให้บริสุทธิ์เมื่อมีกายมีวาจามีใจอันนี้มาแล้วรักษาไว้ให้ดีหมายความว่าอย่างนั้นอย่าไปล่วงพุทธบัญญัติ ถ้าอยากพ้นทุกข์นะถ้าไปล่วงพุทธบัญญัติแล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ปฏิบัติภาวนาไปก็ไม่ได้ใจก็ไม่สงบเพราะว่ามันมีบาทแทรกแซงอยู่ในจิตใจนั้นแล้วดังนั้นนะเราจะต้องพยายาม ซ้อนใจให้ปรงให้วางขันห้าอันนี้อย่าอย่าให้ใจมันไปหลงไหลสำคัญว่าเป็นเราเป็นของของเราต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมันมีให้เราดูเราเห็นอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามันอยู่รีลับซับท้อนที่ไหน ถ้าที่เรามองด้วยตาหนังไม่เห็นเราก็มองด้วยตาปัญญานี่มองด้วยตาปัญญาตาใจหมายความว่าเนยทำใจนี้ให้สว่างเบิกบานแล้วมันก็มองเห็นอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ได้ชัดเจนเลย มองแล้วก็มาสรุปลงว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรสวยงามแล้วก็ไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนแม้แต่อย่างเดียวนับแต่ผลผมขนเล็บฟันเหล่านี้หละหนังเนี่ยเป็นต้นไปตลอดถึงอาการสามสิบสองนู่นีลยไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนสักอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นตัวตน ถ้าเป็นตัวตอนจริงก็บังคับได้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายมันก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยแต่นี้มันมันไม่มีรูปใดจะอยู่ยั่งยืนนานไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีเลยดังนี้แหละเมื่อปัญญามันบังเกิดขึ้นแล้ว มันก็มองเห็นสภาพของร่างกายทุกส่วนเนี่ยร่วนแต่ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ไม่สมควรจะมายึดหมายถือว่าเป็นของตนพอยึดถือไว้แล้วก็เป็นทุกข์เปล่าๆหาความสุขไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันแปรปรวนอยู่เสมอกระทบกระทั่งกับความรู้สึกคือดวงจิตนี่อยู่เสมอไป แล้วจะให้จิตนี่มันอยู่สบายได้อย่างไรการมาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้เนี่ยส่วนนี้เป็นนามมาทำก็รู้ได้ด้วยสัมผัสนั่นแหละเมื่อเราน้อมใจเข้าไปภายในตั้งมั่นอยู่เนี่ยสุขมาสัมผัสก็รู้ทุกมาสัมผัสก็รู้อย่างนี้นะเจ็บปวด ร้อนหนาวอะไรมาถูกต้องเขาก็รู้อจิตที่มีหน้าที่รับรู้สังขารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่วทั้งของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนจิตนี้มีหน้าที่รับรู้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าหากว่าจิตนี้ไม่ฉลาดแล้ว มันก็เป็นแต่ทุกข์กระวนกระวายเดือดร้อนไม่มีความอดกั้นทนทานต่อความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารที่มันกระทบ ก, กระทั่งกับดวงจิตอยู่นั่นแต่ถ้าก็ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ว่ารูปกายนี้ไม่ใช่ของเราแล้ว่ะมันก็อดกั้นได้ไม่วันไหว ก็เพราะมันมีปัญญาสอนใจนั่นแหละอ้าวจะวันไหวกับของไม่เที่ยงทำไมจะวันหมกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนทำไมล่ะนั่นก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่หรือรางกายอันนี้ริงไม่ใช่ของเราเลยกตเมื่อเป็นเช่นนี้จะวันไหวกับมันทำไมอะ่ะเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเมื่อมันแปรปรนกาลังจะแตกจะดับอยู่นล ก็ไม่หวั่นไหวกับมันนะ <c oughs> มันจะแปลไปอย่างไรก็ตามเรื่องของมันนะไม่ใช่ของเราแต่ว่าดวงจิตนี้มันยังอาศัยรูปกายอันนี้อยู่มันยังละจากร่างอันนี้ยังไม่ได้เพราะว่าลมหายใจยังไม่หยุดเมื่อลมหายใจหยุดลงกันใดจิตนี้ก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ไม่ได้ ดังนั้นแหละจึงว่าชีวิตนี้มันมีลมหายใจเข้าออกนี่เนระเป็นนิมิตเครื่องหมายว่าชีวิตยังเป็นไปอยู่ดวงจิตยังครองร่างอันนี้อยู่ถ้าลมหายใจนี้หยุดลวงจิตนี้อาศัยอยู่ในร่างนี้ไม่ได้เลยต้องถอนออกหนีนั้นะเนี่ยเทวบุตรเจ้าสอนให้เราภาวนาเพ่งดูลมหายใจเข้าออก ก็เท่ากับ ว, ว่าเพ่งดูชีวิตนี้เองเนี่ยไม่ใช่อื่นใด <c oughs> ดังนั้นให้ฝากันเพ่งดูชีวิตนี้มีน้อยนิดเดียวหนึ่ง <c oughs> มีงแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้เล <c oughs> แล้วเราก็รู้ไม่ได้เลยว่าวันไหนเวลาไหนเดือนไหนปีไหนลมหายใจเข้าออกนี้มันจะหยุดลองอ่ะ <c oughs> บางคนก็ เข้าไปนอนอยู่ในห้องนอนเท่านั้นแหละลมหายใจก็หยุดไปเฉยๆเอาโดยไม่มีใครรู้ก็มีแล้วมันเอาแน่นอนไม่ได้เนี่ยลมหายใจดังนั้นละก็จึงมาดูกันอยู่ทุกวันทุกเวลาเข้าไปดูละเตือนใจโอ้นอชีวิตนี่นอสั้นเหลือเกอนนอมีอยู่แต่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้นอ น่าสังเวชน่าสะลดใจเรามาอาศัยอยู่ชีวิตอันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอันชีวิตที่สั้นเหลือเกินน ะ, ะมีแค่ลมหายใจก็ออกเท่านี้แหละทำอย่างไรหนอเราจึงจะพน้นจากชีวิตอันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี้ไปได้ชีวิตอันเที่ยงแท้แน่นอน มันก็ไม่ยากอะไรหรอกแล้วก็ไม่ง่ายเท่าไรนะักที่ว่าไม่ยากนั่นก็เมื่อเมื่อเราปรุงระวางของไม่เที่ยงแล้วมันก็ได้ของเที่ยงเท่านั้นเองน ะ, ะเหมือนกับหลังมือกับฝ่ามือนี่เนี่ย <c oughs> เมื่อพลิกขึ้นมาข้างบนก็เป็นฝ่ามือถ้าพลิกลงไปอีกพลิกฝ่ามือลงไปข้างล่างหลังมือนี่ก็เป็นหลังมือ ไม่ใช้ฝ่ามืออันนี้แหละเมื่อความไม่รู้จริงนี่อุปมาเหมือนยังฝ่ามือมันคว่มอยู่มันไปปิดอะไรทอะไรไว้อยู่เมื่อได้สะดับตรับฟังคำสอนพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วมาเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่ เมื่อความรู้แจ้งในร่างกายนี้มันเกิดขึ้นความไม่รู้ร่างกายนี่ตามเป็นจริงมันก็ดับไปเหมือนกับฝ่ามือกำลังมืออย่างว่านั่ น, น <c oughs> เนี่ยเนี่ยพอโปรงวางขันห้านี่ลงไปได้แล้วความรู้จริงมันก็บังเกิดขึ้นแล้วแบบนี้นะรู้จริงว่าขันห้านี่ไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดไม่ควรถือ ว่าเป็นของตัวของตนเลยอย่างนี้ความรู้แจ้งอันนี้ถ้ามันเกิดขึ้นด้วยอานาจแห่งอริยมรรคจริงๆมันจะไม่รบเรือนไปมันจะปรากฏอยู่อย่างนั้นทุกเวลาพอแต่กําหนดดูท่านก็เห็นแจ้งเลยนั่นแหละแต่ถ้าไม่กําหนดแล้วก็ธรรมดาธรรมดาไปอย่างนั้นแหละ ถ้าในกาหนดดูเวลาไหนก็เห็นแจ้งพระจักขึ้นเวลานั้น <c oughs> อย่างนี้นะเมื่อสิ่งใดที่มาตกแต่งขันห้านี้ให้เกิดให้มีขึ้นนีกเมื่อขันห้านี้ไม่เทียงสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เพียงเหมือนกันก็หมายเอาบุญและบาปหรือหมายเอากิเลสนั่นแหละดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าหมดบุญหรือหมดบาปแล้วตายคนเรานาะน่นแหละ ก็บุญบาปมันไม่เที่ยงนี่ไม่ให้ไให้มันหมดมันจะอยู่ได้หรือเหมือนตะเกียงคอมไฟอาศัยน้ํามันกับไส้พอไฟมันไหม้น้ำมันไปน้ํามันก็หมดไปหมดไปหมดไปอย่างงี้นะในที่สุดนานไปน้ํามันน้ําก็แห้งขอดเลยหมดพอน้ํามันหมดไฟก็ดับพูบลงฉันได้ชีวิตนี้ เมื่อบุญกุศลหรือว่าบาปกรรมที่อุปถัมภ์บำรุงอัตภาพ ร, ร่างกายอันนี้อยู่นี่มันเสื่อมไปเสื่อมไปหมดไปหมดไปร่างกายก็ทุ่นโทมไปเรื่อยๆเมื่อมันหมดเข้าจริงๆลมหายใจก็หยุดจิตวิญญาณก็อาศัยอยู่ร่างนี้ไม่ได้ต้องถอนออกหนีไปตามยถากรรมอันนี้แล้วในใช้การปัญญาพิจารณาให้มันเห็น ตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตนี้มันจะก้าวขึ้นไปสู่โลกุตรธรรมหรือมาผลธรรมวิเศษให้ได้ดังแสดงมา